ขอเจริญพรทุกท่านนะวันนี้เนี่ยหนึ่งเมษายนสำหรับฝรั่งนี่ถือว่าเป็นวันที่สำคัญสำคัญท้ออะไรนะเขาก็ถือว่าเป็นวันอําแห่งปี uh huh. a, a p r e l f o l s day วันอําแห่งปีวันนี้เนี่ยอนุ ญ, ญาตให้มีการอํากันได้และบางคนนี่อําจนหน่าเชื่อนะ เราโดนอัมม า, มาบางเรียังตั้งแต่เช้าเนี่ยขณะตะไมงโดนอัมเลยเมื่อเช้าก็ถือว่าไม่ไม่ผิดศีลในวันนี้เพราะว่าเป็นการอัมเพื่อร้อนเล่นก็มีวิธีการอัมต่างๆซึ่งบางคนก็อัมเก่งนะคนก็เชื่อแต่มีมีการอัมอย่างหนึ่งนะซึ่งอัมอยังไงคนก็ไม่เชื่อหรอกเช่นอัมว่า ฉันเป็นนามธตายแล้วนะหรือว่าเธอเป็นนามธตาแล้วนะอนน้ําอย่งเงี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยามันมต้องตายแนแ่ความจริงอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้แล้วก็จะอ้ํายังไงเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกจะติดไปจะพูดติดไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครเชื่อก็คือเราทุกคนต้องตาย จะอามว่าไม่ตายจะอามว่าเป็นอมาตะเนี่ยไม่มีทางได้ผลอามยางอย่่เนี่ยได้อาจจะเป็นจริง <c oughs> เราทุกคนต้องตายไม่เป็นแค่เท่า น, น, นั้นเนี่ยแม้จะรู้ว่าตายเนี่ยแต่ถ้าจะอําว่าฉันมั่นใจว่าจะอยู่ได้จนครบร2อยยี่สิบปี พวกอย่างนี้ก็มีใครเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างสูงเนี่ยสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความตายและสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างยิ่งก็คือความตายเหมือนกันก็คือ เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไหรเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไรอันนี้ผู้เจ้าตัดไปเองนะว่าสิ่งที่บอกไม่ได้ล่วงหน้าเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะตายเมื่ออายุทเท่าใดจะตายที่ไหนจะตายด้วยสาเหตุใด และตายแล้วจะไปไหนถ้าประการเนี่ยเมื่อไรอายุเท่าไหรที่ไหนด้วยเหตุใดแล้วตายแล้วจะไปไหนคนที่บอกว่าเนี่ยฉันจะอยู่ได้หนึ่งร้อยปีร้อยยีสิบปีตกขั้มก่อนจะตายก็ได้แต่เพราะว่าความตาย ในแง่หนึ่งมันก็เป็นสิ็จที่ใกล้ตัวเรามากมันมีพาสจที่เป็นผู้ไว้ว่าระหว่างพวุนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้แน่ว่าอะไรจะมาก่อนถ้าเราคิดว่าชาติหน้ามาหลังวันพรุ่งนี้เนี่ยให้แสดงว่าเราประมาและ แสงว่าเราต้ดงจับความตายดีพอเพราะว่าจัดหลายคนวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาิหน้าเลยไม่มีคาว่าพรุ่งนี้ทั่วโลกเนี่ยนะมีประมาณแสนหกหมื่นคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขา 350,000 คนส่วนในเมืองไทยประมาณพัน0ร้อยคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาคนเหล่านี้ไม่มีคำว่าพรุ่งนี้คือพ้นจากวันนี้ไปที่ชาติหน้าเลยและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นหนึ่งในพันหกหรือแสนห้าหรือเปล่า อ, อ, อันนี้พูดจริงนะไม่ได้อำ มีข้อมูลมีสถิตยืยนยันนะ <c oughs> แต่แม้จะพูดถึงเพลงนี้เนี่ยนะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ความตายเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่เรา <c oughs> ควรจะเป็นมิตรต่อเข้าให้ได้ แล้วอจะมาด้วยความสว่ารเป็นมีจฉความตายเนี่ยเื่ออะไรทำไมต้องเป็นมีกับความตายด้วยตอบให้ง่ายสั้นๆก็คือว่าถ้าเราไม่เป็นมีกับความตายความตายก็จะกลายเป็นศัตรูของเราถ้าเราไม่เป็นมีความตายความตายก็จะกลายเป็นศัตรูของเราเราชอบไหมความตายเป็นศัตรูของเราเราไม่ชอบ ปาตายจะเป็นศัตรูงเราหมายความว่ามันจะคอยหลอกหลอนเราในยามที่เราอยู่นิ่งๆว่างๆพอนึื่องถึงความตายขึ้นมาหรือว่าความตายของตัวเองเราก็จะเสียวเราก็จะเราก็จะเรียกว่าวูบเลยนะก็เพิ่มขึ้นมาหรือในยามที่เรายินความตายจากข่าวากับโทรทัศน์ จากการบอกเล่าของคนใกล้ชิดความตายคนใกล้ชิดเราก็จะเสียศู์ไปได้ง่ายๆความตายเนี่ยมันหลอกหลอนผู้คนเป็นมันมากเรียกว่าแทบทั้งโลกเลยจนกระทั่งไม่อยากจะเอ่ยถึงคาว่าความตายไม่อยากจะเอ่ยชื่อ นะเหมือนกับใ น, น, ในหนังแฮลิรพอตเตอร์เนี่ยก็จะไม่ไม่อยางไม่กล้าจะเอ่ยชื่อบารดูมอลใช่ไหมเอ่ยไม่ได้นะคนที่คนที่บอกบอกไม่ได้คนที่บอกชื่อไม่ได้นะความตายเป็นอย่างนั้นนะในความสิด ข, ของหลายคนเราไม่กล้าที่จะพูดคำว่าความตายด้วยซ้าเราจะเลี่ยงไปใช้คําอืน่นมรณะสิ้นลมหมดลมถึงแก่กรรม ไม่อยู่แล้วจากไปแล้วนะเวลาเราจะพูดเนี่ยถึงความตายของใครบางคนเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่าความตายเราจะเรียกไปใช้คําอื่นสมัยที่เริ่มทําโครงการเนี่ยเผชิญความตายสงบเนี่ยก็มีมิจที่หวังดีบอกว่าชื่อนีมน้มันขายไม่ได้นะเดี๋ยวคนจะไม่มาเปลี่ยนชื่อดีกว่านะสุนทริยมรณาอะไรทำนองนี้นะ คนที่ได้เข้ามาแต่ไม่น่าเชื่อนะบอกกันว่าคนที่คนที่ไม่กลัวกับคำนี้เนี่ยมีเยอะจึงทำให้โครงการเนี่ยพามาสิบสี่ปีเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าคนจะสนใจน้อยลงก็มากันเรื่อยๆสนใจมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นนิวตรี ด, ดีนะของสังคมไทยที่ว่ามีคนที่กล้าที่จะ พูดกล้าที่จะได้ยินหรือกล้าที่จะเอ่ยคําว่าความตายที่ตัวเองจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่อยากพูดถึงแม้กระทั่งคําว่าความตายอย่าอย่ า, ยาไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าที่จะนึกถึงความตายของตัวเองหรือความตายของคนที่เรารังอย่างที่ธรรมาบอกก็คือว่าตราบใดที่เราไม่ไม่ไม่เึ็นเงความตายนะความตายมันจะกลายเป็นศัตรูเรา การที่เรากลัวก็ดีการที่เราลังเล ก, ก็ดีเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เรากลัวสิ่งใดก็ตามเรากําลังทําให้สิ่งนั้นมั น, ย น, นอย่างน่าเหนือเราคนที่กลัวเข็นฉีดานี่นะแค่เห็นเข็นฉีดาก็ใจอยู่แล้วคนที่กลัวทุกแกเนี่ยแค่เห็นทุกแกนี่ก็สั่นละทุกแกไม่มีอะไรเล ย, เลยหลายคนมาว่าธรรมมาบอก มีทุกแกไม่บอกเพรว่ามีไม่ไปกลัวทุกแก่ทุกแกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่พอกัวทุกแก่ก้นี่ยทุกแกม่มีเงินหน้าเหนือเราเลยใช่ไหมเห็นหน้ามันแล้โอ้ทุกใจสั่นสัตว์ที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะมันจะเป็นทําให้ใจเราผวาได้เพราะอะไรเพราะเรากลัวเขาความกลัวมันทาให้เราเขาให้เอาเงินหน้าเหนือเรา นะันแต่ลูกโปงเคยมองเป็นกลัวลูกโป่งนะเป็นพวกโฟนเมียแต่ลูกโป่งนี่ใจสั่นเลยลูกโปกงมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอเรากลัวสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นมันกลายเป็นศัตรูเราบางทีเช่นเรี่อความโกรธความโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธใครนะเรากำลังทําให้เขาเมียนหน้าเหนือนเราเพียงแค่เขาโผล่หน้ามาในห้องเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขแล้ว นะบางคนความสุขเกิจเลยเห็นหน้าคนบางคนที่โกรธหรือเกลียดเราไม่ชอบเขาแต่ทําไมเราให้อํำ น, นาจเขาจนมีที่พ้นเหมือเราแปลกไหมเราไม่ชอบเขาเราเกลียดเขาแต่ยิ่งเราโกรธเราเกลียดเขามากเท่าไหร่เขายิ่งยิ้มหน้าเหนือเราจนกระทั่งบางทีเอาไปฝังความกลัว เช่นเดียวกันเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีอำนาจเหนือนเราเขาเคยมีการทดลองพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยานเนี่ยถ้าโดนเข็มฉีดยาจิ้มเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวเพราะฉันยิ่งกลัวเข็มฉีดยาเท่าไรเนี่ยเราก็ยิ่งทุกขเพราะเข็มฉีดยาเพราะฉันถ้าเรากลัวความตายเนี่ยเราก็ยิ่งทุกเพราะ ความตายวิธีที่จะช่วยให้เราไม่ทุกข์เมื่อเผชิญความตายหรือเมื่อนึกถึงความตายคือการที่เราเลิกกลัวเขาและทำอย่างนี้เลิกกลัวก็เป็นมิตรนะเป็นมิตรความตายเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมิตรให้ได้และถ้าเราเป็นมิตรความตายความตายจะบีบคั้นหัวใจเราน้อยลง ความตายจะมีที่พลครอบ ง, งำหลอกล้อเราน้อยลงนะันกวชธรรมชาติาวพวกเราในที่นี้เนี่ยก็โดยล่ลแต่กลัวความตายนะเราไม่อยากรู้ถึงความตายของเราหรือความคนที่เราลักนั่นไม่ใช่ว่าความตายเป็นสิ่งเวลวร้ายแต่น่าเป็นเพราะว่าเรารู้สึกลบ กับความตายถ้าเราไม่ปรับทัาศนคติตรงนี้เนี่ยความตายมันจะหลอกหลอนเราอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงวันรักสุดท้าย <Okay. S 1> เราจะเปลี่ยนทัาศนคติจากเกลียดกลัวมาเป็นนิสกับความตายได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือการเข้าใจ การเข้าใจความตายการรู้จักความตายเมื่อเรารู้จักสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะมีพิษสงน้อยลงจะน่ากลัวน้อยลงคนที่รู้จักทุกแก่เนี่นะรู้จัก จ, จริงจจะไม่จะรู้สึกว่าทุกแก่ไม่น่ากลัวเลยน่ารักใช่ไหมลูกหัวก็ได้นะคนที่กลัวความมืดเขารู้จักความมืดเนี่ยจะไม่กลัวความมืดลนะกลับจะชอบโอ้มันมืดทีไรมันใจสงบมันไม่เว่ ความมืดทำให้เราเห็นดวงดาวที่ละเ อ, อียดอเราจะพบกับความงดงามที่ความมืดนำพามาให้เราจะชอบนะเราจะเป็นมิตรกับความมืดนะเพราะเราได้รู้จักความตายเหมือนกันนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักความตายดีพอก็เลยกลัว แต่ถ้าเรารู้จักความตายดีพอเลยเพราะว่าความตายไม่น่ากลัวความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นมิตรนะและเป็นมิตรที่ประเสริฐด้วยอาจารย์พุทธทาสเนี่ยพูดถึงภาวะที่ใกล้าตายนะว่าเป็นนาทีทองของชีวิตภาษาสมัยใหมยคือหน้าต่างแห่งโอกาสได้เปิดกว้างขึ้นเมื่อเราใกล้าตายเพราะว่า ชาวาชาวพุ้นนะโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยมันจะเปิดกว้างขึ้นเมื่อเราใกล้ตายเพราะว่าช่วงนั้นเองเป็นช่วงเวลาที่สัจธรรมมันจะแสดงให้เราเห็นแบบสว่างเลยนะเหมือนกับแสงสว่างในยามบ่ายมันจะสว่างจ้าเลยสัจธรรมที่บอกให้เรารู้ว่า ชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในยามสุขเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นศัจธรรมอง น, นี้เราจะคิดว่าทุกอย่างมันเที่ยงเราจะคิดว่าชีวิตที่เป็นสุขเราจะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยคุมได้แต่พอเราทุกขและพอเราใกล้ตายเนี่ยเราจะเห็นความจริงและความจริงเนี่ยที่เรียกว่าศัจธรรมเนี่ยสามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้ ในพระไตรปิฎกก็ยังมีเรื่องเล่าของพระอาหารหันต์จำนวนมากนะหรือพระเรียะอรียบบุคคลด้วยที่บรรลุธรรมตอนจะตายหรือตอนที่สิ้นลมพอดีเลยบางท่านก็เป็นคารวะก็ได้เป็นอนาคาเมีเช่นทีเคาบุบาศบางท่านป่วยแล้วก็ตายแต่ก็บรรลุธรรมเช่นพระปิสสะเทระ แต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่หวังการบรรลุ ธ, ธรรมเราก็ยังอยากจะมีความสุขแบบบุุชนความตายเนี่ยมันก็สามารถจะนำพาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้หลายคนได้พบความสงบอย่างยิ่งในเวลาสุดท้ายก็เป็นช่วงที่ใจเนี่ยปล่อยวางทุกอย่าง ลาบรสสุขสารเสด็จฉันปล่อยวางเพราะรู้วา่ามันไม่เที่ยงมันช่วยอะไรไม่ได้เลยในยามปกติเนี่ยมันจะยึดมากเลยนะแต่พอรู้ว่าจะต้องตายมันปล่อยเลยนะพอปล่อยก็สบายหลายคนก็ความสงบอย่างยิ่งมากกว่าตอนที่ป่วยด้วยซ้ำมากกว่าตอนที่เป็นปกติด้วยซ้ําหลายคนได้พบว่า สามีหรือภรรยาที่เคยร้าวฉานแตกแยกก็มาคืนดีกันเพื่อนที่เคยหันหลังให้กับกันก็มาอบ ก, กอดกันสิ่งที่ดีเช่นการคืนดีเกิดขึ้นกับครอบครัวจํานวนมากเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งกําลังตายเพื่อนละมาเนี่ยได้บอกว่าช่วงที่เวลาช่วงที่แม่เขาใกล้ตายเนี่ยกินเลี้ยบเวลาประมาณปีครึ่งเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากเพราะว่าเธอได้ทาสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตก็คือการดูแลท่านการบอกรักแม่ทุกคืนการกอดแม่ทุกคืนหุงอาหารให้แม่กินอาบน้ า, นานให้แม่เช็ดตัวให้แม่มันเป็นช่วงเวลาที่ ได้ทำสิ่งดีๆที่มีความสุขร่วมกันก็เป็นโมเมนต์ที่ลืมไม่ลงเพราะว่ามันมีความหมายสาหรับเชื่องเธอมากดั <c oughs> น้นช่วงเวลาที่ความตายกล้เข้าขมาเนี่ยเราสามารถจะเก็บเกี่ยวสิ่งประเสริฐเราสามารถจะได้สัมผัสรั บ, รบความสุขเราสามารถทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักได้ ซึ่งอาจจะหาไม่ได้หรือทาไม่ได้ในยาปกติยังถ้าเราถ้าเราเข้าใจความตายดีพอเนี่ยนะเราจะเห็นว่าความตายเนี่ยมีคุณค่ามันไม่ใช่แค่วิกฤตอไรเป็นวิกฤตทางกายแต่เป็นโอกาสทางวิญญาณทางจิตใจและถ้ารู้จักความตายดีพอจะพบว่าการตายอย่างสงบเป็นไปได้การตา ย, ยางสงบเป็นไปได้ แตามเราจบอกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นไปได้มันเป็นสิทธิของทุกคนความตายสงบปเป็นสิทธิของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไตรวดัดแม้จะไม่เคยรู้จักการส่วนบนทําสมาธิก็มีสิทธิ์ตายสงบแม้จะป่วยด้วยมะเร็งหรือเป็นเอดก็ตายสงบได้แม้แต่ประสบอุบัติเหตุนะก็ตายสงบได้ ใ น, นประสบการณ์ของพวกเราที่ทํางานเกีก่ยวกับเรื่องผู้ป่บระยะสุดท้ายเนี่ยเราเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ตายสงบได้ทั้งนั้ น, นไม่มีข้อยกเว้นแต่สิทธิเนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าที่เราจะมีสิทธินะที่ได้รับโบนัส น, นะได้รับการเลื่อนขั้นในที่ทํางานก็เพราะว่าเราทําหน้าที่ อย่างพยายาขันแข็งไม่ใบยเยียงไม่บิดิ้วขันได้เนี่ยสิทธิในการตายสงบเหมือนกันนะมันเป็นสิทธิที่ของเราแต่เราจะได้สิทธินี้เนี่ยสิทธิได้นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําหน้าที่หน้าที่ต่อและหน้าที่ต่อความตายหน้าที่ต่อความตายก็คือการตระหนักว่าการเตรียมพร้อมเตรียมตัว เประเชิญกับความตายถ้าทําได้ทุกเมื่อยิ่งดีนะแล้วเมื่อถึงเวลาที่ตายเราก็ไม่หวั่ลิ้วเพราะเราถือว่านี่คือหน้าที่แล้วลองลองลองบอกตัวเองหรือว่าลองย้ําตัวเราเองเสมอว่านะความตายเป็นหน้าที่ของเราทุกคนความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตเราทุกคนมีนหน้าที่ต้องตายเพื่อเปิดทางให้กับอนุชนรุ่นหลังก็ได้มา ใช้ประโยชน์จากโลกนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ตายแล้วลูกเราจะเอามารดกจากไหนใช่ <c oughs> การตายคือหน้าที่อย่างหนึ่งอย่าปฏิเสธหน้าที่นี้แลที่จริงเนี่ยที่เราทุกวันนี้เรามีความสุขสบายดีเนี่ยส่วนก็เพราะว่า บ ร, บ, รบรรพชนบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาตายเพื่อให้เราได้มาใช้ปร ะ, ะโยชน์กับโลกเพราะนั้นเลยพรนะเรายังมีความสุขได้ก็เพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาตายเพื่อเราได้อยู่สบายถ้าสัตว์ไม่ตายเราจะเอาอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจากไหนถ้าพืชผักไม่ตายเนี่ยนะเราจะอยู่รอดในโลกนี้ได้อย่างไร และไม่ใช่สิ่งรอบตัวเท่านั้นนะสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยชีวิตเล็กๆน้อยๆมากมายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลล์ อ, ว, อวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆที่มีชีวิทั้งนั้นและที่เราอยู่สุขสบายดีมาที่มีได้เนี่ยนะยังหายใจได้ยังมีความสุขยิงนงยได้เพราะว่าชีวิตต่างๆในตัวเราเนี่ยเขา ทำหน้าที่หนึง่งหน้าที่เขามีหลายอย่างหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ตายก็ทุกขณะนี่นะมันมีเซลล์ในร่างกายเราตายประมาณห้าถึงแสล้านเซลล์เซลล์เหลานี้เป็นเซลล์ที่แก่หรือเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินะและเขาก็รู้ว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปเนี่ยมันเดือดร้อนกับตัวเราเขาก็ตายอ่นะ วันหนึ่งเนี่ยห้าถึงสาล้านเซลนะเพื่อให้เซลที่สุขภาพดีเซลที่ปกติเนี่ยมาแทนที่ถ้าวันใดวันหนึ่งเซลล์เหล่านี้ไม่ยอมตายไม่ทาหน้าที่ตายเราเดือดร้อนนะฮะในทางการแพทย์เนี่ยเขาามันจะมีเซลชนิดที่เขาตั้งสมยานามว่าเซลเซล์อมตะนะเซลอมตะ กร า, านซาลาเปาเซลล์นี้คืออะไรเซลมะเร็งเซลมะเร็งคือเซลเ อ, อมตะคือมันไม่อยอมตาย ม, มันจะแบ่งตัวไปเรื่อยแบ่งตัวไปเรื่อยแบ่งตัวไปเรื่อยๆๆนะจากก้อนเล็กกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วถ้าคุณเอาก้อนนี้เนี่ยตัดแค่ชิ้นแค่ชิ้นเนื้อหรือแค่เซล์ไม่กี่เซลเอาแค่นเนื้อเยื่อเนี่ยเอาไปเพาะเลี้ยงเนี่ยผ่านไปหกสบปีผ่านไปวัน ป, 100ปีมันก็ยังไม่ตายนะเจ้าของร่างกายเจ้าของเนื้อเยื่อตายไปแล้ว แต่ว่าเซลล์ที่ตัดมาเนี่ยถ้าเป็นเซลล์มะเร็งนะมันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆถ้ามันมีอาหารอยู่ในจานนะมันมีผู้หญิงคนนึงนะแกเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็หมอนี่ก็เอาเนื้อเยื่อมะเร็งมดลูกเนี่ยออกมาเมือ่อ60ปีที่แล้วนะพี่หคนหนี้ตายไปนานแล้วแต่เซลล์ของเธอเนี่ยก็ยังแบ่งตัวอยไปเรื่อยๆแล้ว ก, กระจายไปทั่วโลกกันละ เพราะว่าเอาไปใช้ในการทดลองเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับยารักษามะเร็งเกี่ยวกับยารักษาโรคที่ต่างๆเ้วย่ยเขามีคนประมาณว่าเซลล์ของผู้หญิงที่ชืแพเรกตาเนี่ยซึ่งกระจายไปทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่หกสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้ารวมเป็นน้ำหนักวันนี้นะหนักเท่าไหร่ทราบไะมครับห้าสิบล้านตัน ห้บตันนี่ก้นใหญ่แล้วนะห้สิบล้านตันนีมันไม่น่าเชื่อที่เรกตมาฟังด้วยว่เฮ้ยห้าสิบตันหรือเห้าสิบตันนี่ก็โหใหญ่เลยนะมากแล้วนะห้าสิบล้านตันตัวเธออายุแค่ตัวเธอหนักแค่ห้าิบกิโลอ่ะแต่เซลล์มะเร็งนี่นะมันมันมันรักมันแบ่งตัวไปเรื่อยเซลล์ชนิดนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็เรียกเซลล์ลายนะคุณแพทย์ก็เรียกเซลล์ลนยเพราะว่าเออเป็นเป็นเซลล์ที่ เ, เซลล์ที่ใช้ในการทดลองเนี่ยนะเซลล์ไลน์ในโลกนี้มีไม่กิ่มีนีมีไม่กี่ชนิดนะเซลล์นี้เชื่อว่าฮีลาฮีลาคือไฮเลตตาไฮเลตตาเล็อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเซลล์มเล็งนีนะ่นมันเป็นเซลล์มาตายมีไงคือนะถ้ามันไม่ตายนะถ้าเซลล์มะเรตายเราตายนะ อ, อแต่ที่แต่ที่เราอยู่ได้เพราะมันตายเนี่ยมันทําหน้าที่ตายท่า น, นต้องขอบคุณนะการที่เรามีชีวิต อ, อยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีความตายเกิดขึ้นในร่างกาย เราทำหน้าที่และถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทำหน้าที่นี้นะฮะคือตายแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราไม่ยิดริลนอกจากไม่ยิดพิลแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะตายมาตั้งแต่วันนี้นะเราจะไม่ทุกข์นะเราจะไม่ทรมานเราจะตายสงบเราจะไม่กลัวความตาย ทั้งนี้เพราะว่าเราได้สุขใจให้เป็นนิจกับเขาเห็นคุณค่าของเขาเห็นความหมายของเขาแล้วมาถึงวันนั้นเราก็พร้อมเลยพร้อมขอบคุณความตายนะที่ช่วยกระตุ้นให้เราใช้ชีวิต อ, อย่างไม่ประมาณขอบคุณความตายที่กระตุ้นให้เราเนี่ยมันทำความดีจเจริญสมาธิภาวนา ขอเือความตายที่ทำให้เราช่วยตัดเตรียมสิ่งต่างๆให้เพียงให้พร้อมเตรียงสำหรับลูกหลานของเราก่อนที่เราต้องละโลมีไปนั้นสำคัญมากเลยนะที่เราต้องฝึกใจให้เป็นเ่ความตายให้ได้ซึ่งจะเป็นการช่วยแกะถอดสลักะไม่ให้ความตายมาเป็นศัตรูของเรา สองวันนี้เนี่ยก็กวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่เราจะได้รู้จักความตายใ ห, ให้ดีขึ้นและเพื่อเรื่องที่เราจะได้เห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือความกลัวตายความตายไม่น่ากลัวกัาความกลัวตายแ ล, และเมื่อความกลัวตายหมดไปนะความตายนะจะกลายเป็นเรื่อของเรา